จเจริญจะมีแท่านสาธรชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องนิทานในสูตรเปรตพระสูตรที่กล่าวถึงเบื้องต้นอันเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลายประสูตรในลักษณะนี้แล้วก็มีชื่ออย่างนี้เราพบบ่อยแล้วก็อยู่ในเรียกว่าทุกๆนิกายของพระไตรปิฎก เป็นการแสดงสืบสาวไปถึงเขตคือที่มาของเรื่องนั้นๆเช่นเวลาทรงแสดงในรูปของสังสารวัตรก็ทรงใช้นิทานาสูตรเหมือนกันเพราะว่าสาวไปถึงอวิชชาในที่นี้ได้แสดงเป็นเรื่องกรรมคือการกระทำของคนทั้งหลายทั้งสองด้านนะฮะทั้งดีแต่ไม่ดี โดยตรงชี่เห็นว่าที่จริงแล้วอคงกศุลกรกรมทั้งพวงที่บุคคลกระทำอำนวยผลให้ทั้งสามช่วงใหญ่ๆช่วงหนึ่งคือช่วงที่เป็นปัจจุบันเรียกว่าทิตธรรมเวทนยะในช่วงต่อไปก็คือชีวิตหลังตายเรียกว่าอุป ป, ปัชชะแล้วก็สืบอพบชาติไปคือนานกว่านั้น ตรงนีเ้เรียกไม่ตรงที่เราเรียนมาแต่ว่าความหมายเหมือนกันนันเรียกว่าอปัรัปริยายาอภัรัปริยาปริยายาเบทนิยกรรมเปรียบกรรมที่ให้ผลในพบสื่อๆไปจะเป็นการแสดงเห็นว่าการกระทําอะไรของใครก็ตามมันจะมีการให้ผลในสามช่วงหรืช่วงใดช่วงหนึ่ง คือบางอย่างก็ได้ผลในปัจจุบันบางอย่างก็ให้ผลในโอกาสต่ตอไปในภพชาติต่อไปบางอย่างแม้ในชาติต่อไปก็ยังไม่ให้ผลแต่จะให้ผลในภพสืบสืบไปลักษณะของกรรมเหล่านี้ในส่วนที่เป็นอกุศล ก, กรรมมันเกิดขึ้นมาจากความโลภความโกรธความหลง ในการที่อธิบายนั้นอธิบายในรูปที่ค่อนข้างละเอียดคือคือจิตเราก่อนจะเกิดแล้วก็ทํากรรมเขา mm hmm. เรียกมีมีโฉนะมันเกิดดับทั้งเจ็ดครั้งนับอย่างนี้ที่จีมก็นับไม่ค่อยทันนะ แ, แม้จะเรียนอภิธรรมจริงๆถ้าเรียนเนี่ยก็นับไม่ทันเพราะมันเร็วมากนอกจากว่าเรานั่งสมาธิสติเราเร็วนะะเราดูได้ว่ามันมันเกิดดับอย่างนั้น กรรมที่ทำาดยเจตนาแรงคือโลภแรงโกรธแรงหลงแรงไงนะฮะมันก็คล้ายๆกับลูกปืนที่ยิงออกไปในจุดระเบิดนะฮะมันจะแรงกว่าในจุดที่มันไปไกลไปแล้วผลกรรมในแนวนี้จะให้ผลแรงแล้วก็ทางกุศลนะกุศลนะฮะ ในส่วนของอุณในส่วนของกุศลธรรมก็คือว่าความไม่โลภมากความไม่โกรธก็คือเมตตาที่มากแต่ความไม่หลงก็คือปัญญาที่มากเนี่ยจะให้ผลเร็วก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิธรรมเป็นทิตตธรรมอเวตา น, นิยะในขณะเดียวกันในตอนสุดท้ายก็สรงสรุปว่าคนที่เขาคือคนที่มีวิชาอยู่เนี่ย มักจะกระทำอะไรไปตามหน้ากับความโลภ ค, ความโกรธความหลงซึ่งอํานวยผลเป็นความทุกข์บัณฑิตผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นโทษของความโลภโกรธหลงเหล่านี้แล้วก็เพียรทําลายทําลายขาจัดอวิชชานะฮะคือคื อ, ค, อคือไม่ได้พูดถึงโลภโกรธหลงเพราะว่าจริงๆโลภโกรธหลงมันก็เป็นผลมาจากอาวิชชาอีกทีหนึ่งก็เพียรทําลายอาวิชชาเพื่อ หลุดพ้นจากสังสารวัชุคือหมายความมาเอาไปเลยเป็นการเทศในแนวในแนวที่เรียกว่าหนีกิเลสนีหนีทุกข์อย่างสิ้นเชิงจริงๆอย่างที่เคยบอกว่าผู้ ด, ดำรัต จ, จะแสดงแนวนีคือจะมีจุดเริ่มต้นให้แล้วก็มีจุดสุดท้ายให้กำหนดเส้นทางให้ส่วนการจะเดินมันก็มันก็เรื่องเรื่องของผู้ศึกษาจะเดินไปหรือไม่หรือเดินไปได้ขนาดไหน กรรมที่เป็นปัจจุบันคือให้ผลในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิกรรมเนี่ยแต่ก็ยกตัวอย่างในสมัยนั้นนะนี่พระอัต ก, าาา ก, ะะากตกาอาจารย์ยกนะฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้ายกอาจาพระอัตกตาอาจารย์ท่านยกมาทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวฝ่ายที่ที่เป็นบาปแรง เช่นเช่นเอาเอาแรงมากๆกันนะฮะความว่า โ, กโกรคโวดหลงที่แรงมากๆเช่นว่านั้นถ้ามานบไปขมขืนนางภิกษุณีอุบลวรรณนาภิกษุณีก็ถูกตอนนี้สูบในขณะนั้นเลยนี่แสดงว่าเจตนาแรงมากบาปแรงมากคือว่านันตะกะยักษ์พระพุทธเจ้าไอ้บรรจัยภาษารีบุตรนั่งนั่งเข้าสมาบัติอยู่นะฮะนั่งเข้าสมาบัติ ก็เกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาไม่รู้กลางคืนเนี่ยนะแสงจันทร์ส่องสว่างย่องไปข้างหลังตีหัวเลยก็ตกนรกในขณะนั้นอันนี้คื อ, ถ, อถือว่าเป็นบาปที่แรงและบางทีเนี่ยมันมันดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อแต่ว่าเราจะเห็นถึงสภาพจิตเพจิตในแต่ละขณะนี่มันเป็นตัวกาหนดที่มีความตรงขัดมาก มีนายเพชรฆาตคนหนึ่งประวัติมันไปเหมือนกับที่ในธรรมบทแต่ว่าชื่อไม่เหมือนกันที่ว่ตาวการแกเป็นเพชรฆาตฆ่าคนรับค่าคนมาตั้งตั้งเท่าไหร่อ่ะ50ปีก็ตั้งตั้ ง, ต, งตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่นะแสะดงว่าขา้ามาเป็นหนุ่มๆจนแก่แล้ว ก, ก็ปลดเกษียณ คือแกมีมีคนให้ค่ายทุกวันมันจิตใจมันก็หมกมุนวุ่นวายเครียดอยู่กับเรื่องเหล่า น, นั้นวันที่ปลดกเกษียณเนี่ยลูกเมียก็ดีอกดีใจนะก็อาบน้ำแต่งตัวอย่างดีตัดผ้าตัดผมโกนหนวดโกนคราเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะจะทำบุญเนี่ย ไม่ใช่ก่อนก่อนจะประทานอาหารเขวก็ขอให้อนิบนพระสารีบุตรมามาที่บ้านประทวายทานพระสารีบุตรก็กล่าวธรรมะโดยสุดเทศเทศสันส้นๆ น, นะครเทศสันส้นๆแล้วแจิตใจมันน้อมก็ เ, เรียกว่าอนุลมอ่ะขันติคือจิตใจมันข่มใจได้อนุลม์ปิติคมณก็ณไม่ถึงกับปิติเต็มที่ น, นนะะมันมัน แต่ว่าเป็นความอึบอิ่มในกุศลธรรมที่ตลอดระยะเวลาห้าสิบปีตัวเองไม่เคยสัมผัสสัมผัสผลเหล่านี้เลยบรรลุบรบรลุมรคผล น, นะฮะแล้วก็เดินไปส่งพระสารีบุตรก็ถูกโควิดตายก็บังเกิดในสุคติอันนี้ถือถือว่าเร็วถือว่าเป็นการให้ผลที่เร็วมากๆ แต่ก็เป็นเป็นพวกกุศล น, นนะฮะกุศลที่แรงท่านเห็นว่าปัญญาแรงมากโลภะ อ, อโลภะโทสะโมหะแรงก็ให้ให้ผลกันในขนาดนั้นส่วนบาปรกรรมที่ท่านทำมันก็ว่ากันในโอกาสต่อไปตราบโดที่มีขันธ์ธาตุให้เสวยท่านก็คงโดนเนี่ยนะแต่ว่าโอกาสที่จะ เป็นอกุศลกรรมไม่ใช่โอกาสที่เป็นอาโหสิกรรมเนี่ยก็มีอยู่เยอะเพราะว่าพระโสดาบันท่านไอ้เงื่อนไขที่จะบาป ก, กรรมจะให้ผลเนี่ยมันมันจะมีเงื่อนไขอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆตรงนี้ท่านแสดงพิศดานมากจริงหน้าทาหนังสือเป็นเล่มเ่ยนะมันมันยามากคือท่านบอกว่าตัวเงื่อนไขหลักเนี่ย ม, มันมันมีก็เรียกว่าเหตุและก็ปัจจัย ตัวเอก็คือกรรมนะฮะกรรมที่เราทำเนี่ยแน่นอนทีนี้ปัญหาว่าปัจจัยที่หนุนส่งให้กรรมนั้นมันให้ผลเร็วหรือให้ผลช้าให้ผลมากไห้ผลน้อยมันก็เป็นอีกเรื่องห น, นึ่งนะฮะก็ดูแล้วคล้ายๆกับเราเราไปอยู่ในในที่หนาวทุกเราไปอยู่ในที่หนาแล้วพื้นฐานในด้านสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดเอีเครื่องทําช่วยความอุ่นเราก็ไม่ค่อยมีไอันี้มันคงหนักขึ้นหน่อย แต่ถ้าพื้นฐานในร่างกายเราดีเราก็เตรียมเครื่องที่จะป้องกันหนาวหนาวไปด้วยถึงจะเจอหนาวมันก็หนาวน้อยหน่อยก็แสดงว่าปัจจัยเนี่ยฮะปัจจัยที่ข้าสนับสนุนปัจจัยที่จย้า้เกิดหนาวนี่มันมีแต่ว่าพอดีเรามีเหตุเหตุที่จะป้องกันปัจจัยเหล่านี้ไว้ด้านสุขภาพเราก็ดีแล้วก็ด้านเครื่องนุ่งห่มอะไรแต่เราก็เตรียมไป ก็ทำให้หนาวน้อยหน่อยแต่ไม่ถึงก็ไม่หนาวนะฮะไมถึงก็ไม่หนาวมันก็หนาวตรงนี้ท่านแสดงถึงเรื่องสี่เรื่องเรื่องหนึ่งเ็เรียกวคติคตติคือสถานที่เราเกิดสถานที่เราเกิดตกุลที่เราเกิดครอบครัวที่เราเกิดก็แล้วแต่นะฮะแต่ท่านมุ่งถึงคตติคือสถานที่พบเลยภาพรวมๆมันพบที่เราเกิดคนเราสมมติว่า ทำความชั่วไว้แต่พอดีตัวเองมันไปอยู่ในในสถานที่ดีตรงนั้นตัวตัวปัจจัยสนับสนุนมันก็ป้องกันไว้ก็ไม่ค่อยรุนแรงนะฮะไม่ค่อยรุนแรงคล้ายๆกับคนมีอำนาจอิทธิพลอะไรต่ออะไรก็อาจจะทำผิดแต่ว่าตรงนั้นในขณะนั้นนะฮะขณะนั้นทำอะไรก็ยังไม่ได้ เว่าสภาพเป็นล้อมอะไรต่างๆก็ดีเราป้องกันเอาไว้ก็แสดงว่าปัจจัยเนี่ยฮะปัจจัยมันไม่เอื้อท่ออะไรตรงนี้ทีนี้บางทีมันให้หมายความเราทําความชั่วด้วยแล้วเราถูกโดดเดี่ยวด้วยตอนนี้ก็เคราะร้ายไข้รุมเลยะผีซ้ําด้าพลอยมากันอุตลุดเลยเวลามันมาท่านเห็นว่ามันมาด้วยกันคือเวลาเสื่อมก็เสื่อมด้วยกันเวลาเวลาได้มันก็ได้ได้กัน ภาพอย่างหนึ่งที่กติไทยเราพูดแบบเพราะร้ายไข้รุมปีซ้าําดําพลอยปีเรือนไม่ดีปีป่าพรอยอะไรต่ออะไรเข้ากันไปเป็นแถวอะไรนั่นแสดงว่าตัวอกุศรกรรมเนี่ยเราก็มีแล้วตัววิบากของอกุศรกรรมก็มีในขณะเดียวกันในสถานที่เราเกิดมันก็เ อ, อื้อเหลือเกินนะฮะเกิดคกูลเหลือเกินแล้วก็กกปลายกันใหญ่เลยทีนี้บางทีตรงเนี้ยสถานที่เกิดแต่มันเกิดดี เกิดดีขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็มีอกุศลกรรมอะไรอยู่มันก็กลายเป็นเป็นลดความรุนแรงลงไปตรงนี้ก็เรียกวิบัติสมบัติหมายความว่ า, ถ, าถ้าสถานที่เกิดไม่ดีด้วยแล้วกรมไม่ดีด้วยก็ไปกันใหญ่แต่ถ้าดีสักอย่างหนึ่งมันก็ลดความรุนแรงลงมาถ้าดีสองอย่างถ้าเลวสองอย่างก็แย่หนักขึ้นถ้าถ้าดีสองอย่างมันก็ช่วยกันอยีกหนึ่งเขาเรียกว่าอุปชีรูปร่าง ผุกลิกลักษณะรูปร่างดีผิวพรรณดีหน้าตาดีอะไรแต่ใดเนี่ยฮะหรือว่าเลวก็แล้วแต่นะฮะหมายความว่าถ้ารูปร่างไม่ดีหน้าตาไม่ดีผิวพรรณไม่ดีหน้ารังเกียจอะไรแต่อะไรมันก็ไปกันใหญ่เลยเรียกอุปธิไม่ให้แม้จะทําดีก็ไม่ได้นะฮะก็ไม่ได้ติมเม็ดติมหน่อยเพราะว่ามันตัวนี้มันกลายเป็นตัวขัดขวาง แต่ถ้าตรงนี้ดีรูปร่างดีบุคลิกลักษณะดีท่าทางดีคนบางคนไปสมัครเป็นคนงานเนี่ยได้เลื่อนได้เลื่อนตําแหน่งไปเลยเพราะว่าคนอย่างนี้มันมันไม่เหมาะควรจะอยู่ตรงนี้เขาก็เลื่อนไปพวดพวดพวผมก็ไปได้เลยอ้นนั้นคือคือเขาเรียกว่าเป็นตัวหนุนทั้งด้านดีด้านไม่ดียีนึ่งคือยุคสมัยเขาเรียกกาละมันสมบัติรวิบัติ ถ้าสมบูรณ์ยุคสมัยมันดีมากเลยทําความดีไม่มากมันก็ไปดีคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ากัเรามีสินค้าที่ตลาดต้องการแม้จํานวนไม่มากนะฮะแต่ราคามันแพงเพราความต้องการมากเราก็ไปได้นะฮะเราก็รวยได้ยุคสมัยมันให้คนบางคนรวยพรวดพราดเพราะว่าเวลามันให้กับยุคสมัยมันให้ บางคนมีอะไรดีๆอยู่เยอะแต่ว่าเวลามันไม่ให้ก็ต้องรอเวลาไปก่อนเขาเรียกว่าการมันวิบัติไปอีกประการหนึ่งก็คือการกระทำของเราอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวสำคัญหมดนะฮะตัวสาคัญกว่าเรื่องอะไรทั้งหมดซึ่งหมายความว่าอาจจะให้ผลในขณะนั้นๆหรือให้ผลในโอกาสต่อไปก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทีนี้ในกรณีของความดี หมายความว่า ก, กรรมจะให้ผลเป็นความดีเป็นเป็นเรื่องที่อาัศจรรย์นะนะฮะเป็นเรื่องอศัศจรรย์อศัศจรรย์จนจนดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไห ร, ร่นะแต่ว่าในสมัยพุทธกาลจริงๆมันก็มีอยู่สี่ห้าหกรายแต่นั้นเองสี่สิห้าปีนะฮะมีอยู่ห้าหกรายแต่นั้นเองมันมันถ้าเราไปมองดูเงื่อนไขตรงอื่นที่เคยพูดเรื่องสัมปทาคุณนะฮะสัมปทาคุณในศรี ส, สระการเนรี่ยท่านพร้อมอ่ะ มพรอบหมายความว่าคนที่รับทานท่านก็เยี่ยมมากๆเลยเป็นพระราหันต์ออกจากนิโรธสมาบาัติสุดมากเป็นพระพุทธเจา้าภาสาริบุตรเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ท่านบริจาคก็เป็นของที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแล้วเกจำมงคือศรัทธาของท่านมันเปี่ยมลน้นทุกขณะหมายความมาก่อนให้ขณะให้หลังจะให้ไปแล้ว แล้วก็ท่านเหล่านั้นเป็นภระิยะเพราะฉะนอ้นผลอย่างนี้ที่จริงมันค่อนข้างจะหายากเช่นปุณณะธาตุปุณณะาตจากทาตนะฮะจากธาตเป็นเศรษฐีในวันเดียวเป็นพ่อของนางอุตรามาอุบาติกาแต่จริงก็เป็นทาตแต่สองคนผัวเมียถวายอาหารซึ่งซึ่งเมียเนี่ยถวายอาหารซึ่งผัว เตรียมมาให้สามีนะฮะเตรียมมาให้สามีทานพอเจอภาษาดิบุตรแกถวายแต่ละแต่ในขณะเดียวกันผัวตึงไถนาอยู่กลางนาเนี่ยรอคอยพัญยาส่งอาหารเจอภาษาดิบุตรไม่รู้อะไรจะเอาอะไรมาถวายในตอนเช้านะฮะการเกาไม้เอ่อไม้จำร้าวฟันไม้จำร้าวฟันของอินเดียกับไม้เนี่ยไม้ไม้ไมสเสดาตัดเป็นเนีย่ยยาวยาเคี้ยวเีเคี้ยวม้จำร้าวฟัน แล้วตักน้ำล้างหน้าถว า, ายได้สาธุติมออกจากสมาบัติ้องคนทำพร้อมกันทงกับพระองค์เดียวกันคนคนละคนละจังหวะกันนะนะแล้วพัญญาก็ต้องกลับไปบ้านไปหุงอาหารใหม่สามีก็หิวนอนรอก็หลับไป ก็ตื่นขึ้นมาไอ้ขี้ไถมุนไถที่ท่านไถนามังกลายเป็นทองอันนี้เป็นเรื่องที่อจจจัศจรรย์มากเป็นบุญญาโนภาพนะฮะเป็นเรื่องบุญญาโุภาพเป็นพวกอจินไตก็ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะฮะเป็นเรื่องเฉพาะท่านแล้วก็เป็นเศรษฐีในวันนั้นประชาชนก็แต่งตั้งเป็นเศรษฐีนึกถือว่าบุญที่มันเร็วหรือพรามจุเลกสาดกที่ถวายผ้าข่ม พ, นะพระผ้าขุมนะฮะพระผ้าขมแก่พระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านต่อสู้กับความขี้เหนียอยู่ตั้งสองยามนะฮะตั้งตั้ตัตอนตอนหัวค่ําตอนเชืีองคืนเนี่ยถวายไม่ได้ควงเทศรุ่งตี๋เชียงคืนเนี่ยถวายไม่ได้ไปถวายตอนใกล้รุ่งคือว่าต่อสู้กับกิเลสมานะต่อทรงแสดงว่าท่าถวายในตอนหัวค่ําได้นะหมายความชนะกิเลสตอนแรกได้เนี่ยจะได้บุญมันมันเท่าไหร่ 8 86แปดแปดสิบกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สิบสี่อย่างนะฮะจะได้ของอย่างละยี่สิบสี่แต่นั้นท่านได้ของอย่างละแปดอันนี้กว่าบุญที่ให้ผลในวันนั้นเลยคือเปลี่ย น, ปยนแปลงสถานะไปเลยเราดูลักษณะจิตแล้วก็เป็นการกระทาที่สมบูรณ์พร้อมในแง่ของ หรือว่าท่านเล่าถึงพระเจ้าทุตาคามินีอภัยในลังกาพระตถาจารย์ท่านเล่าเนี่ยได้ได้โปรกเข้าใจนะครับว่าพระตถาจารย์เนี่ยท่านท่านเรียบเรียงเรื่องนี้พอสอประมาณหนึ่งพันเพราะฉั้นตัวอย่างบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ถูกที่อินเดียอยู่ที่ลังกาก็ได้เพราะท่านเขียนที่ลังกานั่นเรียบเรียงที่ลังกาท่านก็เล่าถึงพระเจ้าทุตาคาไมนีอภัยไปทำศึกสงครามแพ้ จะหนีเข้าป่าแล้วอดอาหารก็สองคนอมตะสองคนคือติสาอมตะแต่ก็หิวบ้างให้ออมตดนั้นไปหาอาหารพอเดียอมตะเขาก็เตรียมมาเตรียมอาหารนั่งใส่อะไรคล้ายๆกับข้าวห่ออะไรนี่พอจะแบ่งเนี่ยมันก็มีม้ามีม้าหนึ่งตัวนะมีพระราชาก็มีอมตะก็แสดงว่าสามสามชีวิต แต่ประชาชาบอกให้แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งต้องการถวายพระคือท่านท่านตั้งปณิฐานไว้ว่าในชีวิตของท่านเนี่ยก่อนจะทำบุญเนี่ยท่านจะไม่กินข้าวหมายความแต่ละแต่ละวันเนี่ยจะต้องทำบุญก่อนจะต้อ ง, จ ะ, องจะต้องถวายทานก่อนจึงจะกินเองตัวเองหิวยังไงก็ก็ไม่ยอมกินแล้วก็ไม่รู้จะหาพระที่ไหนมันก็ใช้วิธีอธิษฐานอธิษฐานประกาศดังๆ พระาอารหันต์ท่านได้ยินท่านก็มาสงเคราะห์พอเห็นต่นนั้นเองพระราชาถวายหมดเลยถวายส่วนที่เตรียมไว้หนึ่งส่วนก็ส่วนที่จะได้แก่ตัวเองอีกหนึ่งส่วนเนี่ยถวายพระหมดเลยติสะก็โอ้ยเห็นเย็นอย่างนั้นมันก็มันก็กินไม่ไหวนะก็ถวายหมดเลยนะมาก็แสดงทีท่าไม่เอาคือขอถวายด้วยก็ต้องลงมาถวายหมด แล้วด้วยบุญกุศลที่ท่านที่ท่านทำคือว่ายอมยอมหิว่นะยอมยอมยอมหิวแต่หิวแรงมันก็มันก็มีตอนหลังพอหิวเสียดแทงเกันมากเนี่ยท่านก็ท่านก็เกิดเกิดเกิดวูบขึ้นมานะฮะเกิดวูบคิด ข, ขึ้นมาว่าแม้ที่หลวงพ่อฉันเหลือถ้าส่งให้เรากินก็ดี <c oughs> คือว่าก็หิวมากๆนะไม่รู้จะไม่รู้จะคิดยังไงอะ่ะป้ า, าหันท่านรู้ฮะท่านท่านก็อธิษฐานให้อาหารเหล่านั้นมา เลี้ยงดูก็เลี้ยงกันเลี้ยงดูกันอิ่มนะเป็นเป็นอันนี้เป็นบุญญาโนภาอยชน์ที่เคยเล่าเรื่องพระโมคคัลลานะที่เอาขนมเบื้องไปเลี้ยงพระทั้งสี่หร้อยขนมเบื้องนิดเดียวนะเอาไปเลี้ยงได้แต่นานๆท่านจะทํากันสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดปีติปราโมทย์แก่ประชาชนและวประชาชนพระเจ้าทุตาการมณีอภัยต่อต่อมาต้องกลับเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับเราก็ได้อะไรอะไรอีกมากมายอันนี้คือคือแนวที่เรียกว่า เป็นเป็นกรรมที่ให้ผลในในขณะนั้ น, น, นในชาตินั้นๆถ้าไปอีชาตหนึ่งก็จบแล้วคือหมายความไม่ได้ให้ผลมันมันกลายเป็นกลายเป็นโอโหสิกรรมคือไม่ให้ผลไปกา ร, รมีประเภทหนึ่งเป็นการให้ผลในชาติต่อไปซึ่เราจะเห็นว่าบางทีมันก็ใกล้นะใกล้เช่นเช่นอย่างที่เคยเล่าเรื่อง เรื่องมัตตกุณลีเทพบุตรเราก็ทําจิตได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตายแล้วก็ไปบังเกิดในสุกติเรื่งการบังเกิดในสุกติมันเกิดขึ้นจากผลกรรมที่ทําในชาติก่อนคือชาติชาติที่เป็นมัตตกุณลีมนุษย์แต่ว่าตัวเองตายนะ ค, คือทําปั๊บไปไนิดเดียแล้วก็ตายแล้วกรรมมันก็ให้ผลไม่ทัน แต่ว่าเจตนาเขาเรียกว่ามันอยู่ในชวนะอื่นมันมันมันอยู่ในช่วงอื่นไม่ใช่ช่วงแรกอาจจะสองสามสี่้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเนีก็ทำให้ให้ผลในในอีกชาติเนี่ยลักษณะเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมายความมาทำก่อนใกล้าตายนะอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งกรรม ทำ้วยเจตนาที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ได้เหมือนกับบกับประเภทแรกซึ่งซึ่งซึ่งแรงมากแต่กรรมนั่นก็จะยกยอดไปให้ผลทีนี้ก็อีกแหละฮะหมายความว่าการการยกยอดไปให้ผลมันก็มีองค์ประกอบของมันเพราะชีวิตคนเราจริงๆเราก็ไม่ได้ทำกรรมใดๆอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ดีก็มีไปดีก็มีกลางๆ ก, งก็มีส่วนใหญ่นะฮะมนุษย์เราส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนที่ทำบาปหนักหรือทำบุญหนักนะไอหนักหนักทั้งสองอย่างนี้จริงมันไม่ไม่ค่อยมีคนอนะ่ะจะมีอยู่จำนวนน้อยเป็นปลายของของยอดแหลมเจดีเราจึงพบว่าคนทำชั่วขนาดอนันตรียกรรมเนี่ยนะน า, นานจึงได้ยินข่าวมีคนฆ่าแม่ทีหนึ่งโอ้มันก็เสียวง แล้วที่จริงคนเราประชากรเราไปตั้งเกือบหกพันล้านแล้วนะทุกวันเนี่ยนะพอศสอี่ศูนย์เนี่ยเขาว่าหกพันล้านเมื่อวานเะนี่ยได้ยินข่าวว่ามันจะถึงยุคระเบิดประชากรเพาโลกเนี่ยมันรับได้ประมาณหกพันล้านนี่ะนะปีนี้กาลังวิกฤตน้ําแล้วอินเจ็คจะยุ่งแล้วแต่ประชากรโลกประมาณสี่ศูนย์เนี่ยนะรออีกไม่กี่ปีนะคนระับก็จะได้หกพันล้าน ไม่ใช่ห้าพันกว่านะห้าพันกว่ารู้สึกสี่อะไรสี่ห้าสี่หกอีกสักเมืองไทยอีกสักสักเท่าไรสิบปีนะะอีกสิบปีไปข้างหน้าจะมีคนแก่สิบกว่าล้านนั่นนะประมาณสิบสองล้านแดนสดงว่าการสาธารณสุขดีขึ้นฮรัพยากรเพิ่มขึ้นคนแก่ก็ตายช้าลงอามาก็แก่แล้วเหมือนกันนะนะฮะก็ ถึงยุคหนึ่งเราคงจะมีปัญหาเรื่องเรื่องวิกฤตการณ์วิกฤตการณ์โลกปัญหาเรื่องที่อยู่ปัญหาเรื่องปัจเจศีนะฮะก็คงจะธรรมชาติอย่างดินน้ำมูไฟแน่นอนอนะอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ที่น่าคิดเขาบอกว่าจะเกิดวิกฤตอย่างแรงเมื่อวานเนี่ยฟังฟังเออเรคงถ้าไม่ได้ตายแต่ก่อนนะคงเจอแน่ละเ ก, การเนี้ยกเอีกไม่กี่วันเอง ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมมันคติคติมันชักจะวิบัติคือสถานที่เราเกิดเนี่ยคนมากเกินไปที่เกิดแล้วคนมากเกินไปปัญหาต่างๆที่มันเกิดมันก็เกิดมาจากคติหมายความว่าถ้าเราไม่เกิดในในภพนี้อปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่เกิดไม่เกิดกับเรานะฮะแต่มันเกิดในภพนั้นๆแล้วก็ไปเข้าหลัก ข้อหลักที่ท่านว่าไว้ในตอนต้นว่าคติคือสถานที่เกิดหรือพบที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นปัจจัยทั้งบวกและลบหมายความว่าถ้าพบดีมันก็เสริมเราดีถ้าพบไม่ดีมันก็เสริมเราให้ไม่ดีคล้ายกับบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่กล่าวแล้วทีนี้ตัวกรรมที่กำหนดให้ไปเกิดท่านก็นแสดงไว้เป็นสามระดับ ในที่นี้แปลกนะฮะเราเคยได้เย็นกรรมสิบสี่แต่พระสูตรนี้แสดงสิบเอ็ดไม่ได้พูดถึงโอโหสิกรรมเพราะโหสิกรรมจริงๆมันไม่ใช่กรรมแล้วนะว่าก็ตามความจริงเพราะมันเสร็จแล้วก็เสร็จก็ให้ผลไปแล้ววิบากวิบากก็หมดแล้วนะตัวกรรมตัวกรรมก็หมดแล้วท่านจึงไม่นับที่จริงก็เข้าถี่คือไม่นับก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กรรมแล้วแตนับแค่สิบเอ็ด เกรรมหนักที่สุดมันก็มีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เกิดเนี่ยจากโลภโกรธหลงที่จักก็คือกรรมหนักที่สุดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงยิ่งมากเท่าไร่เนี่ยมันก็หนักทีาสุดหนักที่สุดเหมือนกันในหนักในด้านดีหมายความว่ากุศลกรรมก็มีหนักของเขาอกุศลกรรมก็มีหนักของเขาอกุศลกรรมนี่ถือว่าหนักมากๆคือให้ผลก่อนกรรมอื emos, ่นก็คือพวกอนันตเรกรรม อันยกรรมทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นข้อใดก็ตามอย่างในปัจจุบันเราจะพบว่ามันก็มีได้สักแค่สามอย่าง น, นะฮะแต่สามอย่างอย่างมากก็สี่อย่างอย่างที่อย่างที่สี่มีไม่ได้การทำพระพุทธเจ้าข้อประโลหิตมันมีไม่ได้เพรไม่มีพระพุทธเจ้าเหลือไปฆ่าพระอรหันเนี่ยอาจจะได้นะฮะแต่ว่ามันก็ยากหน่อยฆ่าพ่อข้าแม่ทําสงฆ์ให้แตกจากกัน เนันโอกาสนำเดรัจฉานที่ค่อนข้างแรงปัจจุบันคือข้าพ่อข้าแม่ปัญหาใหญ่คือปั ญ, ปญหาสิงเสพติดนะฮะเด็กมันติดยาติดอะไรต่ออะไรไม่ได้รู้บาปบุลกุลโทษอะไรมั่วๆไปจะว่ายัางไงเหมือนกันนะอันนี้ก็คือบาปที่แรงแสดงโมหะแก่แรงนะฮะโมหะแก่แรงแล้วก็ทําให้โทสะแรงบางทีก็โลภะแก่แรงออกงะะ็อยากได้สตังนะฮะได้สตังไปซื้อยามาเสพมาสู้ ก็ไม่เคยรู้อะไรอนะก็ทําไ ป, ปบาปกรรมก็แรงได้เกินอันนี้ก็เรียกคลุกกรรมเวรกรรมหนักมันจะให้ผลก่อนกรรมอื่นแม้จะนะฮะแม้จะมีกรรมดีๆอะไรอยู่เยอะก็ตามนะฮะคือคือคืออย่าลืมว่าที่จริงมันมีสองอย่างไม่ได้ใช่ไหมหมายความว่าท่านที่ทำอนานดีกกรรมแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเจริญสมาธิจนได้ฌานได้ และท่านที่ได้ฌานเนี่ยไม่สามารถทำอนันต์เรกอนันต์กรรมได้ตรงนี้มันมันจะมีรรทั้งสองด้านไม่ได้อยู่แล้วโดยหลักแล้วเนี่ยใจคนไปไม่ได้เลยเราทำอนันต์กรรมแล้วไปนั่งเจริญสมาธิได้ไ ด, ได้สมาธิไม่มีทางฮรับทำใจสงบกบุญแล้วนะครัทำใจสงบสงอย่าฟุ้งซ่านอย่าถึงบ้ากบุญแล้วเพราะฉะนั้นมีทางทำทาได้เพราะงั้นสองอย่างจึงมีในจิตคนเดียวกันไม่ได้หมายความคุกรรม ทั้งกุศลและอกุศลอยู่ในคนคนเดียวกันไม่ได้ในชาติหนึ่งไงนะในชาติหนึ่งถ้าท่านขึ้นสูงเมื่อขึ้นสูงได้อย่างอย่างเดียวทําชั่วสุดๆมันก็ชั่วช่วสุดๆะทําดีสุดๆนะมันก็สุดๆไปเฉพาะดีพวันคารกรรมฝ่ายกุศลที่แน่นอนนะฮะคติที่แน่นอนนะที่จริงมันอยู่ที่ไม่ถึงพระอริยบุคคลหรอกมันอยู่แค่แค่รูปปัานหมายความว่าท่านที่ได้รูปปัานนี่แน่นอนท่านไม่ตกนรก แล้วก็ไม่เกิดเป็นเทวดาด้วยแต่จะเกิดเป็นพรหมอย่างเดียวข้อต้องการชาญอย่าเสื่อมมีข้อแม้ว่าตายในฌานนะฮะตายในฌานและจากจุดนี้ทําให้เราได้หลักอีกอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นิพพานในฌานทําไมท่านนิพพานในฌานก็ต้องเกิดเป็นพรมหมอุจ้านิพพานระหว่างฌานนิพพานระหว่างฌานคือเข้าฌานไปจากหนึ 8, ่งถึงแปดนะหนึ่งถึงแปดแล้วก็ถอยจากแปดมา พอจะแปดมาแล้วก็ไปถึงหนึ่งแล้วกลับมาจากหนึ่งมาถึงสี่ก่อนจะเข้าฌานเข้าอนุปริฌานที่หนึ่งนะฮะพระองค์ก็นิพานออกจากจตุตยฌานก่อนจะเข้าอนุปริฌานที่หนึ่งก็นิพานตรงนั้นนิพานระหว่างฌานกขาเรียกว่านั่นก็คือนิพานจะทําให้เราเห็นอะไรที่มันมันเชื่อมโยงแล้วก็เหมือนกันหมดกะะ็สอดคล้องกันหมด้เราหมายความต้องมีตรงนี้ก็ต้องไม่มีตรงเนี้ยดังนั้นเมื่ออกุศลสุด กุศล ส, สุดก็เกิดขึ้นไม่ได้ในจิตคนเดียวกันแล้วกุศลสุดแล้วเนี่ยจะทําอกุศลที่ต่ําสุดไม่ได้ทําต่ําสุดไม่ได้เพราะพวกกรรมเหล่านี้จึงเป็นกรรมหนักแต่มันจะให้ผลในรูปอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าชนกกระกรรมคือให้เกิดนะให้เกิดกรรมที่นําให้เกิดก็ตามแรงของกรรมท่า เราทำกรรมชั่วมากๆากมันก็เกิดตกต่ำ ม, มากกรรมกรรมดีมาก ๆ, ๆก็เกิดพบชาติที่ประนีขึ้นไปแต่สรุปว่าพวกนี้ก็ทําหน้าที่เป็นชนกกรรมบางทีก็ไม่แน่มอกันนะนะฮะมันเศษมันเหลือหรืฤกษกวิบากวิบากที่มันเหลืออยู่ก็ไปให้ผลในส่วนอืน่นอีกหนึ่งเขาเรียกเบาหุลกรรมคือกรรมที่เบาลงมาไมลักษณะไม่ค่อยแรงเท่าไรแต่มันก็ทําสะสมมากๆ เบาบ้างปนปนกระกันไปแต่มันมีลักษณะสะสมมากก็ <c oughs> ทําให้มีกําลังมากขึ้นคล้ายๆการสะสมของเชื้อโรคส้สมของไวรัสอะไรแต่ไรเสียนิดๆหน่อยมันก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นแรงที่มีกํำลังสะสมสารพิษอะไรมันก็แนวนั้นนั่นนะหมายความว่าท่าอย่างเดียวมันก็ไม่ม่ใครมีปัญหาอะไรแต่พอดีมันสะสมมากมากขึ้นก็ทําให้มีปัญหา <c oughs> ทําพบตทำชาติของคนให้ เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มันก็อยู่กรรมประเภทนี้นะกรรมประเภทปูละกับกรรม อ, อรรมมีประเภทหนึ่งก็เรียกว่ากัตตากรรมหรือกัตวาปน ก, กรรมในนี้เรียกว่ากัตวาปน ก, กรรมก็ก็จะไปติดใจมากแล้วกันนะฮะชื่อเรียกยังไงก็ได้เป็นกรรมที่ทําศัก์แต่ว่าทํานะไม่ค่อยเต็มด้วยเจตนาะท่านบอกบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับลูกศอนให้คนบ้ายิงคนบ้ายโยนท่อนไม้ไปไม่เคยมีทิศทางอะไรนะฮะ แต่มันก็มีการโยนนะฮะถูกหัวคนก็หัว โ, โนได้เหมือนกันเพราะ ง, งั้นพวกเหล่านี้ส่วนมากแล้วเนี่ยไม่เต็มตามเจตนาที่เราบอกว่ามันเป็นเวรมันเป็นเวนเรเราเราเราคงได้ยินคำว่าเป็นเวรคือมความบางทีเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาอะไรแต่เขาเกิดเจตนาขึ้นที่เคยเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งท่านท่า น, านเย็บจีวร ยะจีวรมันก็แทงเอาเลนตายนะครับท้ามันมีเลนมีตัวเลนอยู่แล้วก็แทงเอาเลนก็เสียบหลังเลนเลยก็เลนตายท่านไม่รู้เรื่องไงเลนก็ผูกใจเจ็บต่อมาท่านท่านในยุคพุทธกาเนี่ยท่านก็เกิดเป็นคุณระบุแลก็ศรัทธาเรื่อมใสในศาสนาก็บวชเป็นพระไม่ใช่บวชเป็นพระสิเป็นนายพลานเป็นนายพลาน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 พระตันหลบนลายพรานฮะพระตั้นหลบนพรานแล้วก็นพาพรานเข้าใจเป็นเนื้อก็พุ่งหอกไปแทงต่างๆอันนี้คือกรรมที่เรียกว่าเป็นเวรแล้วลักษณะคล้ายๆเป็นเวรเราไม่ได้จงใจทําแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคนอื่ น, น, นก็คิดยังไงนะฮะเราอาจจะจะคิดว่าเราเราไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจแต่คนอื่นก็อาจจะปูกเวรก็ได้ทั้งนี้บาลีท่านเรียกว่ากัตวาปน ก, กรรมหรือกตะกตตะกรรมกรรมศักดิกกกก์ว่าทําไม่ได้เต็มตามเจตนาจริง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 นะอันนี้เราจะกลับไปเห็นที่ในเรื่องจุลกรรมมาไปพังกระสูตรที่ทรงแสดงว่าคนทําความดีในปัจจุบันเนี่ยตายแล้ววังเกิดในสุกติก็มีอันนี้ดูแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรนะแต่ในรายละเอียดที่จริงต้องศึกษาเหมือนกันว่าสุกติเนี่ยมันเกิดด้วยกรรมอะไรายแล้ววังเกิดในทุกติก็มี เ, เกิดในทุกตินี้ประกรรมอะไรพรากคนทาชั่วในปัจจุบันนั้นที่จริงนั้นกรรมมันมีทั้งอดีตด้วย มีดีตกรรมมีปั จ, จุบัตะกมและกรรมก่อนจะเกิดผลมันเป็นบูฟเดียวนะฮะบูฟเดียวค่คาิตติเคยยกตัวอย่างว่าเราขับรถมาได้ดีแล้วมันเกิดงิบเพลิมหลับแปดเดียวรถชนเปรียงเห็นไหม ม, มันลักษณะนีน้นิดเดียวไอ้ดีมาตั้งหลายร้อยกิโลมันช่วยอะไรไม่ได้แต่มันจริงๆแล้วมันบูบเดียวกันนั้น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 คติไทยเราที่พยายามสร้างอาสนกรรมกันเวลาคนจะตายก็บอกบอกทางนะฮะบอกอารหางบอกอะไรอะไรก็คือแนวสร้างอาสนกรรมให้อพระไปสวดอิติปิโสเพื่อดึงจิตให้มาอยู่กับบทอิติปิโสนะเวลานี้ก้าวหน้าไปเยอะนะฮะมีเทพสวดมนต์สวดอะไรเนี่ยอามาว่า ด, ดีนะเช่นะนว่าคนป่วยนีย่ให้ฟังเทพสวดมนต์ไปเรื่อยใจมันจ อ, อยจนนั้นเนี่ยใจมันเกาะจนนั้น คืออย่างอย่างอื่นนี่จะทําได้ยากมากนะครับสหรับใจที่มันมันกระสับกระสายกายที่กระสับกระสายใจกระสับกระสายเนี่ยเราจะไปพูดจะไปอธิบายทำมาสคงทํายากเพราะฉะนั้นทำอะไรให้แกคุนะ้นอ่ะเปิดเสียงส่วนบนแผ่วๆไว้ไเรื่อยๆเปิดไว้เรื่อยๆแล้วถ้าเขาสนใจเขาขอเสียงเองเขาขอขอเสียงเราก็เร่งเสียงไปไเรื่ๆจนว่าจิตมันเกาะอยู่ตอนนั้นะ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 ให้เราไเสริมมสันนกรรมเพื่อให้กรรมมันดีพวกนี้มันก็ไปอำนวยผลเป็นปัจจุบันนะเป็นชาติต่อไปหรือเป็นชาติต่อต่อไปอีกเท่าไหลักษณะเขาเรียกว่าอประปริยายะเวธนยกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมที่ตามเรามาเรื่อยเรื่อยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเรื่องกรรมเนี่ยนั้นตามหมดอ่ะ พระพุทธเจ้าของเราที่จริงโดยวิบากขันวิบากขันหมายความพระพุทธสิริที่เหลือนะสิระที่ที่เหลือหมายความหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยอืที่จริงก็ไม่มีกิเลสเป็นอไร้เกิดกรรมอะไรอีกแล้วนะแต่ว่าเขาเรียกถือว่าวิบากขันเพราะขันกัมมลงค์นี่เกิดมาเพราะมีกิเลสอยู่นะตอนนั้นก่อนตอนเกิดเป็นเจ้าชาติตถะยังมีกิเลสอยู่นะฮะเรียกเป็นวิบากขันก็ต้องรับอนะต้องรับผลกรรมไปเลย เราจึงพบว่าพระเจ้ามีรับผลกรรมอยู่บ่อยแม่นางกินจะนาวิกาไปกล่าวโจทย์อะไรแต่อะไรที่จริงก็เป็นผลกรรมนะนะกรรมของพระองค์ก็ได้รับสา่งเล่า ว, ว่านี่มันเป็นบาปรกรรมที่ทำไว่อย่างนั้นอย่างนั้นก็มาชดใช้แต่สมัยพระเจ้าอยู่ก็มีคนบอกให้นะฮะว่ากรรมนั่นกรรมนั้นก็เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันเราก็วิธีสบายที่สุดก็คือสันนิษฐานไว้ก่อน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 เพราะว่าชีวิตของเรามันก็ต้องเจอต้องเจอพวกพวกเนี้นะฮะมั น, ม, นมันไม่รู้อะไรล่ ะ, ะกรรที่ให้ผลในปัจจุบันกา ร, รให้ผลในชาติต่อไปไอชาติปัจจุบันบางทีจิมก็เป็ชาติต่อไปของชาติก่อนเจอมั้ยฮะแล้วก็อาจจะเป็นชาติต่อตอไปของชาติก่อนก่อนที่ผ่านมาแล้วเพราะงั้นเห็นไหมว่าในชาติปัจจุบันเราอาจจะเจอกรรมได้ทั้งสามอย่างเนี่ยมันเป็นอนดีตยอยู่สองกรรม หมายความ่าชาติก่อนชาติก่อนก็คือสมมุติว่าชาติก่อนเราเกิดเราเป็นนายกราชาตินี้เราเกิดมาเป็นเราเนี่ยกรรมที่เราทํำสมัยนายกรมันก็มาให้ผลเราแก่เราในชาตินี้ได้หรือชาติก่อนๆหมายความว่าชาติก่อนโน้นในสีห้าชาติที่แล้วเนี่ยมันก็ตามมาให้ผลเราได้ตกลงว่าในชาติเนี้เรามีกรรมในปัจจุบันในขณะเดียวกันเราก็มีกรรมที่ต้องชดใช้หลังจากเราเทํามาในชาติก่อนในชาติก่อนๆนั้นตกลงว่าเราจริงๆเรามีทั้งสามชาติซ้อนกันอยู่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 นันให้เขาว่าคนเรียมเกิดมาเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ทําอะไรเขาก็จะเิญก้าวหน้าไปทํานองคล้ายๆกับปิดของแล้วก็ตลาดต้องการนี่นที่ว่ายอย่างหนึ่งก็คือประโยคการกระทําที่เหมาะสมสอดคล้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลที่เราพูดมาในปัจจุบันที่เราเมาใช้กั น, นพูดง่ายๆเนี่ยพูดง่ายว่าทําความดีถูกที่ ทำความดีถูกคนทำความดีถูกการทาความดีถูกดีนะถ้าถ้ามันถูกสีถูกนี้แล้วก็เรียบร้อยทำความดีถูกที่ทำความดีถูกคนทำความดีถูกการทำความดีถูกดีทำความดีถูกดีก็ใช้ได้นะซึ่งซึ่งแต่ละอย่างบางทีอาจจะมีปัญหาเช่นเราทำความดีผิดการมันก็ดีนะแต่ผิดการเราดูตัวอย่างง่ายๆเนี่ยฮะเช่น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 ให้พร้อมหมดเนี่ยมันมันจะลําบากดังนั้นพระเจ้าจึงมันเด้นที่ตัวประโยคะคือตัวการกระทําตัวการกระทําเราแก้ไขได้เราปรับปรุงได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างเช่นความงามอนี้ฮะความงามมันก็มีอยู่สี่ระดับไอ้สองระดับแรกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงมันมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเงื่อนไขทางสังคมเงื่อนไขทางวัฒนธรรมอะไรอะไรมันมีองค์ประกอบความงามโดยการเครื่องประดับประดาตกแต่งร่างกายสวยงามอะไรเนี่ย ยังนึกําอ่านหนังสือหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบจนพรท่านอยู่จะในป่าเลยกรรมฐานท่านท่านกัำลังปลุกเขานในหลวงในหลวงจะไปจะไปกราบเยี่ยมแล้วก็สั่งให้หลวงปู่ชอบอยู่ด้วยจะขอกราบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนั่งคอยปรากฏว่าในหลวงเสด็จกลับไปแล้วในท่านบอก ไม่เห็นในหลวงที่ไหนมามีแต่ทหารสองคนมาท่านไม่รู้อ่ะท่านท่านนึกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนต้องสวมเจดดาสวมมงกุฎท่านบอกไม่เห็นสวมฉดาอย่างนี้ข่าวหลวงปู่นี่น่าสนุกดีจังแล้วตอนตอนต้นเด็ดพระนางเจ้าเข้าเฝ้าที่ว่าเข้าเข้ากราบที่วัดพระศรีที่งานศพพระที่ตกรงังสิตเนี่ยนะเหมือนกันเนี่ยหลวงปู่ท่านไม่รู้อะท่านไม่รู้ไป็ต้นเด็ดพระนางเจ้า คือท่านท่านท่านไปคิดท่านท่านคือท่านท่านเห็นในในน่านของท่านนะฮะท่านท่านเก่งทางทางทิพยสุขแต่ว่าดาพระราชาอะไรต่อะไรมันมีมงกุฎมีอะไรมันสวมตางคนนึกว่าต้องต้องมีมงกุฎสวมเลยไม่เห็นก็ะเดียนะฮะก็การแสดงถึงถึงถึงความ ความทรงจํานะฮะความทรงจ ำ, นะ ท, งจำท่านที่ท่านทรงจำไปอีกอย่างหนึ่งงจําปอีกอย่างหนึ่งพอพอเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านก็ไม่ได้ว่ามันจะเป็นอย่างไงลักษณะของของกรรมประเภทเนี้ยประเภทอแต่งให้เราเกิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากรรมดีหรือไม่ดีนะกรรมดีหรือไม่ดีนี่ก็ว่าก็ว่าถ้าถ้าดีเกิดพวกนี้ทําหน้าที่เสร็จก็จบจบแค่เกิดานุประมาเหมือนกัน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 หรือบางทีเราเกิดมาดีไอ้กรรมกรรมชั่วกรรมเบียนทําให้เราทําให้เราลดความดีลงไปนั่นคือความสลับซับซ้อนความสลับซับซ้อนของกรรมประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอุปค า, าตกรรมเป็นกรรมใหญ่นักเลงโตดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เหมือนกันนะนะมันจะเข้ามาให้ผลเองเลยหมายความว่าคนเกิดมาแล้วคนบางคนนี่พลิกพลิกหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะฮะพลิกหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะ ดูแลไม่น่าเชื่อว่าจะไปได้อย่างนั้นแต่ก็ก็ไปเองขาได้แต่ประเภทนี้ที่จริงมีน้อยเป็นคนน้อยแล้วคนที่บางคนก็เกิดมาดีกรรมชั่วตามมาพชนเกิดพลาดพราดพ่อแม่ล้มตายเกิดอันตรายสกุลล่มละลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายตรต่ำไปก็มันดูตลุดเหมือนกันนี่ก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของกรรมที่มันสืบเนื่องมาจริงๆนั้นก็สืบเนื่องมาจากความโลภความโกรธความหลง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 เจ้าวัตกาม่เนีย๊ยไพ่เนี่ยฮะตุตการม่เนีย๊ยัยเนี่ยก็หนีกล้าไปอยู่กับพระต่อมาพระก็สงเคราะห์นุเคราะห์เลี้ยงดูก็เห็นว่ามันมันถูกต่างชาติรุกพระก็สึกขึ้นมาชุดหนึ่งจัดกองทัพเลยน้าน่าดูเหมือนกันกรประเทศลังกาเคยทําเมืองไทยเรายังไม่เคยนะคะพระสึกมาจัดกองทัพตัวยังไม่เคยจัดกองทัพรบช น, นะนะฮะชนะขับ ขาดศึกโพเมินตกทะเลขึข้นเกาะ อ, อินเดียแล้วก็จัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพระส่วนหนึ่งกลับเข้าบวนอีกทหารส่วนหนึ่งนะฮะกลับเข้าบวชอีกแล้วตั ว, ต, ว, ต, วตัวแม่ทัพบรรุมพลเป็นพระหันเห็นพระหันไปได้ก็เป็นประวัติศาสตร์ตรงนี้ที่เราเห็นได้ชัดว่าลังกาเนี่ยเคยสู้แรงมาก เคยสู้แรงบางทีพระราชาจะพระทิ้งภูเขาทีเดียวหกสิบรูปนะฮะท่านที่ไปลังกามาหินทะเลคงจะเห็นมาหินทเลนะฮะมาหินทะเลตััวตวงนี้พระเราเคยถูกโยนภูเขาหกสิบรูปวันเดียวเลยเล่นแรงมากสู้กันแรงไอนขึ้นการเนี้ยการทําทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าชีวิตชีวิตคนเนี่ยนะฮะหรือบางทีเราเราไม่ได้ทําเขาแต่เขาทําเราหรือว่าเขาทําให้เราทําเขา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 แต่เมืองไทยเราไม่ถึงกันแรงกันนั้นเราเราเราไม่เคยมีอะไรที่ต่อสู้กันแรงแต่ดูประวัติศาสตร์แล้วโอโ้โหมนุษย์นี่มันมันไม่ใช่เล่นนะฮะมันอารูปโพดดูเดือดเกินขนาดว่าคนที่เป็นพระยังอยู่ไม่ได้นะฮะต้องสกออกมาดูแลบ้านเมืองกันเลยนี่ก็ต่อมาในท่านท่านท่านจาที่วงคตนะ น, นะครับแต่ว่าศรัทธาท่านมั่นคงมากพระเจ้าตุตขาเนอ่า ก็นิมนต์พระมาสวดสวดมันก็ในในในนิมิตขันท์นเนี่ยนะก็<ม> เ, เห็นมีรถมารับมีหกคันสวยๆๆทางนั้นนะก็เป็นรถทิเทวดามารับเพื่อให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นของตัวเองคุณน้งก็ขอนั่นก็นันก็ขอนั่นก็นั่งขอนั้ น, ข อ, น, นขอให้ไปนะฮะเสร็จแล้วท่านก็นเลือกไปดูสิแล้วก็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 ตีสนิทเพื่อเพื่อจะดึงเขาเข้าหาธรรมะเนี่ยแต่ก็โดนเยอะนะฮะในสุดก็พอพูดจากันรู้เรื่องแกจวนจะตายฮะแกจวนจะตายเก็ไปตีสนิทไว้เพื่อว่าจะก่อนจะตายจะได้พูดอะไรกันหน่อยเพื่ออยากแกตกนรกอ่ะก็ปรากฏว่าพอพูดกันได้ก่อนจะตายโยมจะรับศีลไหมจะรับศีลไหมประกาศถึงพระรัตนตรัยไหม ตอนนั้นแกไม่นับถือพระนะเอาๆก็เอาจะตายแล้วเอาก็ว่าไปได้หน่อยเดียวนะว่าแค่ได้นโมยังไม่ได้ว่าพุทธังอะไรนะว่าแค่นโมก็ตายแต่มันตายด้ยจิตยอมรับจิตผ่องใสเปล่งนโมระเห็นว่ากายตอนนั้นก็าสุจริตเอ้ยไม่ใช่สุจริตวิชีก็สุจริตใจก็สุจริตยังก็สุจริตสามตอนนั้นก็แสดงว่าลบโลกกูลงไปแล้วก็บังเกิดเป็นเทวดาชั้นจ่าตูมารัส นึกเอโรดได้ยังไงว่าเป็นเทพบุตรแล้วก็นึกก็ได้พรกล่าวนโมนี่ได้กล่าวนนโมพุทธังยังไม่ได้ว่านะครานยังไม่ไดว่าก็มาบอกพระเทิรั ก, ก็บอกว่าที่จริงถ้าผมรักษาศีลห้าผมคงเกิดได้ดีกว่านี้ชักโลภแล้วจักโลภแล้วเกิดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเทวดาชักโลภแล้วท่านก็บอกว่าก็โยมไม่เอาเองใจโยมไม่รับใจเอง จะมาชักจะโทษพระนะฮะหาว่าพระให้น้อยไปหน่อยก็จริงๆแกก็ไปรับก่อนจะตายแต่นั่นเองอยากจะโทษพระแล้วก็ต้งบอกว่าก็โยมไม่ใจโยมเนี่ยไม่รับเองมากกวามาถ้าแกรับก่อนหน้านั้นสักหน่อยสักสักคือสีนเนี่ยลองลองตังเกี่แต่สีห้าประมาณสักสี่นาทีสีห้าที่เรารับเนี่ยประมาณสักสี่นาทีเพราะงั้นให้เวลากับตัวเองสักสี่นาทีเนี่ยเราก็รับทันแล้วสีห้าทัน แล้วถ้ายเดียวกันนั้นคืออธิษฐานเอาอธิฐานศีนหน้าต่างปับเดียวแต่ในงอธิษฐานเาอาก็จะถือศีนหน้าก็ก็ไม่จําเป็นนะฮะว่าจริงจรงไม่ไม่จำเป็ น, นะ จ, จ, ปนจะต้องสมาทานอะไรก็ได้เพราะว่าศีนหน้ามันก็อยู่ที่ตั้งใจวิรัติงดเวน้นสํารวมระวังไม่ร่วงละเมิดจนเป็นอาการกายวิจาปกติมันก็กลายเป็นศีนลักษณะกรรมเหล่านี้แต่ละอย่างเนี่ยที่จริง ขึ้นอยู่กับไม่ใช่ทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะทั้งกุศลหน้ากุศลเนี่ยขึ้นอยู่กับตั ว, ต, วตัวในสุดนะฮะคือโลภะโทสะโมหะหรืออะโลภะอโทสะโมหะอะโลภะโทสะโมหะก็คือความไม่โลภไม่กดไม่ดุท่านทั้งหลายจะลองลองสังเกตว่าธรรมะเหล่านี้เวลาทรงสแสดงในแนวของการปฏิบัติในของการปฏิบัติจะจะไม่พูดมากอนะฮะจะไม่พูดมากอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะ เมตตาวิหาริโนโพิกุปสันโนพุทธศาสเ น, นเถรทิคัตเฉบดังสันตังสังคารุปชมังสุขังผู้เห็นภายในสังสารวัตรมีปกติอยู่ใยเมตตาเมตตาวิหาริโนโพิกุมีปกติอยู่ด้วยเมตตามีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอธิคัตเฉบดังสันตังจะเขาเข้ า, ขาถึงทางแห่งความสงบ สังขารทั้งหลายนะะแต่เห็นว่าจริงๆก็พูดที่เมตตาแต่เมตตามันทําเดินมาเรื่อยๆจนบรรลุมพระขนไปเลยนะสังกัรูปร ส, สัขข ง, นะ ม, ง, ง ม, าามังสุขังนะเหมือนกับเตสังบูไปสมงบูสุโขเตกาถาปังสกูเนี่ยจริงๆคนสงบได้เป็นพระอารหันต์นั่นนั่นเองเข้าจิตที่เข้าสงบระ ง, งับในสัตร์และสังขารทั้งหลายได้ก็เป็นความสุขมันก็เป็นมีเฉพาะพระอรหันต์นั่นนั่นเองที่สงบจริงนะสงบได้เด็ดขาดจริงเพราะอะไรเพราะว่า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 นี้ถ้าพอพรมพเมตตาเราเพิ่มสองคนของคนสองคนเราไม่ร่วงเกินสามคนเราไม่ล่วมเกินสี่คนเราไม่ร่วงเกินเนี่ยนะมันก็ย้ายไปเองนี่ย้ายไปเองโดยธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะั้ในแนวปฏิบัติเราจะเริ่มที่ไม่โลภก็ได้เริ่มไม่โลภก็ได้หมายความว่าไม่ร่วมเกินของของเขาเสร็จแล้วเราก็เกิดเมตตาต่อเขาอาจจะเริ่มที่เขาก่อนก็ได้หรืออาจจะเริ่มที่ของเขาก่อนก็ได้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 ที่นีการที่เราของไปให้ได้ที่จริงสแสดงว่าเราก็ไม่โง่นะฮะไม่ไม่ไม่หลงความใจในขณนะก็มีอโมหะคือความไม่หลงอยู่อันนี้ก็ก็จะเริ่มตูนไหนก่อนก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่มันจะไปหมดด้วยกันทั้งสองทั้งทั้งสามข้อในขณะเดียวกันนั้นจะทาหน้าที่ขจัดตรงกันข้ามคือความโลภหดหลงไปด้วย เพราะว่าพวกนี้จะอยู่คนละกลุ่มกันแค่แาค่กันหนาวแค่ๆกันหนาวก็ร้อนนะฮะแค่ๆกันหนาวก็ร้อนเมื่อกลับสว่างเนี่ยเมื่อสว่างก็ก็ไม่มืดนะฮะเมื่อมืดก็ไม่สว่างในขณะเดียวกันพวกโรคกรดหลงถ้าเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยเกาไปทําลายอความไม่โทมไอกรดผสมหลงด้วยเช่นสมุนโดกรดคนนี้นะฮะเป๋หมดเลยนะบางทีก็ทําลายข้าวของเขาบางทีก็ด่าว่าบุปกรารีของเขาเลยเพราดพาดไปหายไปเลยไม่รด้ว่า บ, บุญกุลุญโทษอะไรเลย นั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเกิดขึ้นทาหน้าที่ของมันแล้วมันทําลายสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยพวกนี้จึงทรงแสดงในรูปเบื้องต้นเรียกนิทานอาเอาตอนต้นมาพูดกันเลยไม่ได้พูดถึงตัวกรรมนะแต่พูดว่าทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการกระบวนการของความโลภโกรธหลวงกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วพวกนี้จะให้ผลที่แตกต่างกัน ความโลภโกรหลก็จะให้ผลเป็นทุกข์ในขณะนั้นนั้นในขณะต่อไปและในขณนะพวกชาติต่อต่อไปความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะให้ผลเป็นสุขในขณะนั้นนั้นในขณะ ต, ต่อไปแล้วในขณะชาติต่อต่อไปตกลงว่าแบ่งเป็นสามช่วงของการให้ผลเรื่องธิการแล้วแต่ว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเรามีอดีตใช่ไหมฮะเราก็มีอดีต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 ทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากความไม่โรคความโรคกรลงกับความไม่โรคไม่กดไม่ดลงนั่นเองแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านสนาธุชนนหลายโดยตัวการทุกท่านตืน